สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับในเช้าวันนี้ผมจะขอเข้าไปในบทที่หนึ่งของกฎทองคำนำชีวิตที่งดงามและกลมกลืนสมานฉัน์โดยศาสนาจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงนะครับซึ่งหนังสือที่ผมได้อ่านนั้นถูกแปลโดยศาสนาจารย์สุพิธวิจักโยทินครับขอบคุณพระเจ้าครับใน หนังสือเล่มนี้นำมาซึ่งพระพรให้กับเราทั้งหลายเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าการตีความหมายและก็การโยงความคิดต่างๆในพ ร, ระเจ้านั้นก็ทำให้เราได้เห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของผมและผมก็อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับในบทที่หนึ่ง ก็คือกฎแห่งการแบ่งปันเมื่อวานนี้เราได้ทราบแล้วนะครับว่ามีหลายอย่างครับซึ่งเป็นกฎไฟวิญ ญ, ญาณที่ทวนกระแสกฎของเหตุผลนั่นก็คือการให้นะครับยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนั่นคือกฎไฟวิญญาณแต่กฎของโลกก็คือว่ายิ่งให้เราก็ยิ่งหมดไปนั่นคือการทวนกระแสครับในเช้าวันนี้เราเห็นว่าการแบ่งปันนั้นถือว่าเป็นบทที่1 และก็เป็นเรื่องราวที่เป็นพื้นฐานที่สุดในพระคัมภีร์ครับเราจะเห็นกฎแห่งการแบ่งปันปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงทิวิวอและเมื่อเราเข้าใจกฎนี้นะครับเราจะดำเนินชีวิตด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าเรามาดูประวัติศาสตร์ในอิสราเอลเมื่อพระเจ้าได้ท่งปรากฏและทรงเรียกอับราฮัมออกมานั้นพระเจ้ากล่าวว่า เราจะวอวยพรเจ้าและเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพระพอรอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ครับคำว่าผู้อื่นหรือคนอื่นนั้นหมายถึงมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ในโลกพระเจ้าได้ให้อับราฮัมนั้นเป็นทานแห่งพระพรโดยมีอับราฮัมเป็นคนเริ่มต้นและก็ไปสำเร็จที่องค์พระเยซูคริสต์และด้วยเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเราได้เป็น ผู้ที่ส่งต่อทานแห่งพระพรนั้นและขยายไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าตรัสกับอารรมครับในบทที่22ของบทรมการข้อ18บปอกว่าป ร, ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าพี่ลองครับคำว่าเชื้อสายนั้นภาษาเดิมนั้นเป็นเอกภพครับหมายถึงพระเยซูชัดเจนครับแต่เมื่อในพระกัมพีเดิมเมื่อ อักขตูดเปาโลได้อธิบายในพระธรรมกลาเทียท่านขยายความครับจากเอกพจน์ท่านขยายความอีกด้านหนึ่งบอกเราว่าเชื้อสายนี้เป็นได้ทั้งเอกพจน์นั่นหมายถึงพระเยซูและพะหูพจน์นั่นหมายถึงคนของพระเจ้าผู้ที่ถูกชี้เฉพาะเป็นเอกพจน์คือพระเยซูและลูกหลานเลนของอับราฮัมฝ่ายจิตวิญญาณก็คือพวกเราทั้งหลาย ติดตามพระเยซูอิสราเอลนั้นล้มเหลวในการที่จะนำพระพรไปถึงคนต่างชาติแต่คริสเตียนนั้นเป็นผู้ที่พระเยซูได้มอบหมายเป็นพิเศษครับที่จะนำพระพรนำการแบ่งปันซึ่งเป็นกฎครับกฎแห่งการแบ่งปันนี้เราได้รับอภิสิทธิ์เราได้รับสิษษทธิพิเศษโดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ลืมกฎนี้ที่จะทำให้เรา จะไม่ล้มเหลวในการที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทยัยและแผนการของพระเจ้าเลยพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่ากฎแห่งการแบ่งปันมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะค้นหาความอุดมสมบูรณ์พระพรที่มาจากการแบ่งปันนี้ในวันนี้ผมขอเสนอ3กฎครับกฎแรกคือกฎแห่งการแบ่งปัน ในเรื่องข่าวประเสริฐมัทธิวบทที่10ข้อที่ได้กล่าวว่าท่านังหลายได้รับเปล่าเปล่าก็จงให้เปล่าเปล่า2โครินบทที่5้าข้อสได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันและทรงมอบเรื่องการคืนดีนี้ให้เราประกาศ พ, พี่นงครับ พระกัมพีที่ผมอ่านมาแล้วนะครับมีความคิดอย่างเดียวกันก็คือว่ารับความรอดและให้ความรอดออกไปนำคนอื่นให้รอดนั่นคือกฎแห่งคันแบ่งปันแบ่งปันข่าวประเสริฐแบ่งปันความรอดครับประการที่2ครับแบ่งปันในส่วนที่เป็นพระพรพูดง่ายๆก็คือว่าให้เราแบ่งปันพระพรหนึ่งเปโตบทที่3ข้อที่9บอกว่า อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าดาตอบแทนการดา่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรเขาด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกท่านกระทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพระกัมพีตอนนี้มีวงจรครับวงจรหมุนเวียนที่สวยงามมากคือรับพอรอวยพรและได้พรรับพอรอวยพรและได้พรพี่น้องครับนี่คือ วงจรแห่งพระพรที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกฎข้อที่สครับเราต้องแบ่งปันชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่เจข้อ 37-38 เ็ได้กล่าวว่าในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคาเขียนไว้แล้วว่า แม่น้ำที่มีน้ำทํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นพี่น้องครับนี่คือการส่งเรียกขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงเรียกผู้ที่กระหายให้มาหาพระองค์เพราะเขาจะรับน้ำแห่งชีวิตเขาจะอิ่มเอมอิ่มเอิบและรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเมื่อเขาได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้ว พระพรก็จะไหลออกมาจากชีวิตของเขาและทําให้คนอื่นได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วยนี่คือการแบ่งปันชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับเป็นการเรียกร้องให้คริสเตียนนั้นที่รับชีวิตครบบริบูรณ์นั้นถึงสองรอบครับคือเรียกร้องให้รอบแรกคือรับชีวิตก่อนหลังจากนั้นก็ให้คนอื่นรับชีวิตต่อไปพี่นะครับคุณภาพจริงๆของชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ก็จะเป็นเสมือนน้ําที่ไหลออกมาจากภายในครับผู้ใดที่ไม่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีชีวิตที่คบริบูรณ์จริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เราเองนั้นจะต้องมานั่งดูชีวิตของเราครับว่าชีวิตของเรานั้นมีอะไรที่ไหลออกมาจากชีวิตของเราบ้างครับมีความรักของพระเจ้าเล่าประกาศข่าวประเสริฐมีพระพรของพระองค์ และมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์หลังไหลต่อเติมถ่ายทอดและทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วหรือยังนั่นคือสภาพที่แท้จริงของคริสเตียนจริงๆแล้วนะครับชีวิตของคริสเตียนนั้นเป็นเหมือนกับแม่นาม้าและจะสําแดงออกตามที่เขียนไว้ในเอเสเคียบทที S K L B ่47ครับเรามาดูครับว่าเอเสเคียบทที S K L B ่47ข้อ1เขียนไว้ว่าอย่างไร แล้วท่านก็นําพระเจ้ากลับมาที่ประตูวิหารและดูเถิดมีน้ําไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูวิหารตรงไปทางตะวันออกพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าพระวิหารนั้นเป็นสถานที่ที่พระเจ้ากับมนุษย์พบปะกันและแท้จริงมนุษย์ได้พบกับพระเจ้าในองค์พระเยซูครับดังนั้นเองพระเยซูจงถือว่าพระวรากายของพระองค์นั้นเป็นพระวิหาร และเมื่อคนหนึ่งคนใดได้พบพระเจ้าและพบกับพระเยซูเขาจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์และนี่คือเป็นต้นกำเนิดของทานน้ำหรือแม่น้ำนั่นเองในเอเสเคียวบทที่41เข้าที่1ได้กล่าวว่าน้ำนั้นไหลออกมาลงมาจากข้างล่างปลายใต้ของทรณีประตูพระวิหารทิศใต้ของแท่นบูชา การที่น้าไหลผ่านแท่นบูชานะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าแท่นบูชานั้นมีความหมายสองประการประการแรกคือแท่นบูชานั้นเล็งถึงพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปมนุษย์โลกทั้งหลายประการที่สองครับก็มีความหมายว่าคริสเตียนนั้นได้ถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่บนแท่นบูชานี้ พระเยซูทรงถวายพระองค์เองมือไม เ, เขนก็มีน้าแห่งชีวิตไหลออกมาจากพระองค์เช่นเดียวกันครับเมื่อคริสเตียนถวายตัวเองกับพระเจ้าเขาก็จะมีน้าแห่งชีวิตไหลออกมาจากการดำเนินชีวิตของเขาแต่น้ำนี้จำกัดความเป็นเสรีภาพของมนุษย์ก็คือมนุษย์นั้นจะต้องละทิ้งตัวเองครับและข้าพมีก็ได้บรรยายไว้อีกหลายอย่าง แต่ที่น่าสังเกตครับก็คือว่าเมื่อน้านั้นได้ไหลมาในข้อที่8บอกว่าน้าไหลออกมานั่นไปถึงทะเลน้ำก็กลับจืดดีพี่น้องครับกลับจืดดีก็หมายความว่ามีรสชาติดีนะครับคำว่าจืดดีในภาษาจีนแปลว่าน้ำก็หวานดีนั่นเป็นไนยะในการให้ความหมายว่า ชีวิตที่ขมฝาดฝืดเคืองจะถูกชีวิตที่ครบบริบูรณ์เปลี่ยนแปลงไปน้ำที่เคยขมมันจะกลายเป็นน้ำที่หวานชื่นชีวิตที่เคยขมขื่นก็จะกลายเป็นชีวิตที่สวยงามนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นพี่น้องครับ พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในข้อที่9ของเอเสียวบทที่47บอกว่าน้ำในแม่น้ำนีำน้จะทำให้บังเกิดชีวิตมากมายนั่นคือชีวิตให้กำเนิดชีวิตครับในวันนี้ครับพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นต้องถามตัวเองครับปีใหม่2018นี้เราได้ตั้งใจที่จะนำใครมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วหรือยังนั่นเป็นการแบ่งปันพระพรนั่นเป็นกฎข้อแรกเลยครับที่เราศึกษาในวันนี้ เมื่อชีวิตยิ่งให้พระพรมากขึ้นเราก็จะได้รับพระพรกลับคืนมานั่นเป็นวงจรแห่งความสวยงามวงจรแห่งพระพรครับขอพระเจ้าช่วยเราในครับในการที่เราจะอยู่ในวงจรแห่งพระพรนี้ตลอดปี2018อาเมน